เราณนตีโตไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครเท่านั้นจะล่วพ้นความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้จนเราเหนทัานาอิัจจตังวากนสิปารติภิตวากานสิารติิจาทภายในทั้งภายนอกอจตัทาวากาสิ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 ยังพิโคกันอยยบบ า, ยบบาวับบางทำโมเยาวังพาวีเยาวังรที่โตติเาห้พิจารณาเห็นการณ์ข้างในกับข้างนอกข้างในก็หมายถึงข้างในข้างในใจน่จนะก็ได้ข้างนอกหมายถึงรูปที่เราเห็นด้วยตาเนื้อก็ได้ที่เราหลับตาแล้เห็นอยู่ข้างใน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 ปล่อยอย่ากถึงอิดถึงใจทีเดียวเลยลเป็นคนทีปลงทปล่อยปาช้าดูป่าชาไปป่าช้าไปดูให้ ด, ปป ด, หดูเดี๋ยวนี้มันไม่มีปรชาช้าไปดูแล้วสมัยตก่นมีปรชาช้าผีดิบผีไม่มได้เผาไม่ได้ฝังนะเขาเรียกผีดิบผีดิบ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 านางสดมาในสมัยกุตกาลนางสด็มางามงามพระพระบวชใหม่อองหนึ่งไปเห็นครั้งเดียวนันะโอยกลับมานี่ฉันไม่ได้เลยฉันไม่ได้เลยสมัยพุตกาลเนี่ยนางสดมานางเสดมาเป็นนาง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 เป็นแสนเป็นล้า น, านมั้งคืนหนึ่งคืนหนึ่งพันคาะหะนธสมัยนั้นมันไม่รู้เท่าไหรเท่าไร่คืนและวพันคาหาปหนันธ์ทีนี้เรื่เหตุที่ป่วยนี่แหละตายาตายหลังจากที่พระหนุ่มงงนี่ไปฉันไม่กี่วันน่ยนามสีมานี่ตายนะไปบินจักราล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 เอาเผาเผาก้อนนั้นพุทธเจ้าเอออนุญาตให้พระทั้งหนุ่มทั้งไม่หนุ่มไปไปเผาชมนางสดีมาให้ไปดูพระองคนี่ก็ไปดูแล้วก็ไปเห็นโอ้สุขใจาลยนะโอ้ยตอนนี้กับตอนก่อนนีม่มีคุณค่าอะไรเลยนอะสามาัยใจยฟ่นฟอนป่วยจะเป็นจะตายอยู่แล้วสวงามเลยนอะ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 เป็นไปปล่อยปเป็นตัวปตเป็นตัวเลยปุ๊บเป็นตัวเลยปุ๊บเป็นตัวเลยเข้าไปชอนช้ยุ่เยื่ยุยเย่อยุบ ย, ย, ย, ยับยุบยับเนี่ยเนี่งวันงานของเขาแหละเนี่ยถ้ามีที่ไรเมื่อไรเนี่ยงานของเขาแหละกลิ่นเรี่ยไรมากอืมีของที่มีกลิน่นเนี่ยเมงวันมาแล้วมาจากไหนไม่รู้เลยอยู่ป่ายอยู่ดงกขนาดไหนมาแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้หัวเขียวหัวดำตัวเล็กตัวใหญ่มาแล้ว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 โอยเจาะไปนู่นเท่าเม่ดข้าสรารนู่นน่ะวันคืนลงไปโอ้มันอยู่จนขนออกก็น่ะนอนเจบอยู่ยเยอยู่ยเยยุ่ยเย่ย่เยดูเราดู้ให้เกิดความสลบใจสังเวชใจหน้าเสรยดเสียเอียนหน้าเบื่อหน้านายเรารู้สิ่งล่านั้นแล้วก็ดูย้อนมาดูที่ใจ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 ปฏบกาเจ็ผถูปูอาสนะอะไรจะไรเนี่ยซึ่งเป็นงานของเราทาำความสะอาดเป็นขอ่อวัดดูแลรักษาวัดแม้เราเดินจงกรมประจำเป็นประจํทาท่ า, ททานก็เรียกข้อว้านทาวัดเช้าทําวัดเย็นท่านกเรียกข้อว้านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นประจํทาท่านก็เรียกขอ้อว้านทิ้งไม่ได้เอาคําว่าขี้เกียจ ข, ข, ข, ขี้ข้าดมาอ้างไม่ได้ เพราะงานนี่เป็นงานที่ต้องทําไม่ทําเป็นหนี้จนกว่าเราจะมีทำในใจที่เป็นเป็นผู้ได้ทานได้ทำตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปถึงกระนั้ก็ตามท่านก็ทจนคล่องของท่านทา่านทำเป็นคล่องของท่านยิ่งเป็นพระอรหันต์ด้วยนะไม่พิจารณาก็ได้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 โดยแ ท, ท้จริงไม่ทําไม่ได้ต้องทําไม่ทําก็เป็นนี่ไม่ทําก็เป็นนี่ยิ่งบริโภคยุบริโภคทําน้นทํานี้อยู่ทําข้อมาตทำอะไรเต็มอัตราสึกเหมือนกันนลยแต่เวลาบริโภคไม่พิจารณาเป็นนี่ไม่ได้ทําความสําคัญในสิ่งที่เราจะพิจารณานั้น เป็นนี้บริโภคด้วยความเป็นนี่ยิ่งเรามีโทษติดตัวมีอาบัตติดตัวอันว่าพยายามบริโภคบริโภคดยความเป็นขโยนี่เราเทียบได้หมดเนะสินห้าสินแปดสินสิบของสมณีสินสองร้ยี่2ิบเจ็ดของพระเราเทียบได้หมดขึ้นชื่อเวลาไม่มีสินแล้วคือไม่มีคุณสมบัติทำลายสินด้วยแล้วขาดคุณสมบัติ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 เราไม่ได้ปลูกพืชเพาะพันธุ์อะไรเลยจะเอาอะไรงอกเลยมาให้เรามันไม่มีผลตอบแทนเรานึกอย่างนี้เราก็ปลูกฝัตัวเองสร้างนิสัยควาสัพพยาความเพยีพยรความเพยียรเห็นประโยชน์หัดนึกหัดคิดหนะัดวิจารณาเห็นประโยชน์ขนาดนก็นได้ก็ปเป็นอยู่โล้อ้อนั้นเราก็ไม่ได้นะ